เป็นคนชดทุกอย่างว่ารักแท้จริงอ่อนวันสวยงามเช่นไรได้บดเรียนสุดท้ายคือความผิดวัน เจ็มปวดเพียงไหนแต่ผานมานานแล้วเรื่องมันเก่าจบไปต่างนานแล้วเรื่องของเราผ่านไปต่างนานแต่บทเรียนนั้นยังอยู่สวัสดีครับคุณครูเพิ่งเอามาเกินที่วันนี้ ว่ารักเธอที่ไหนมันคงเสมอไปหัวใจคนเปลี่ยนสีไดเร็วกว่าไม้กำลังพลัดไปเหยียว้ใจคำว่ารักที่ใคร control